ตัวอย่างจำนวนแบบที่บรรยายแนวการพิจารณาสังขารชุดที่สองสำนวนสามันพิจารณาอายตนะและทาอื่นที่เกี่ยวเนื่องในอัจฉาิยตายตะสูตรที่ 1-3 สและพาหิรายญาณสูตรที่ 1-3 สสั่งยุตานิกายสลายญาณาวัรคมีพุทธพจน์ที่นำมาประมวลรวมได้ว่าภิษุททั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจปัจัจบีบคั้นได้เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้ว ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นตนเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วรูปเสียงกลิ่นลดโผฏพะธรรมารมไม่เที่ยงปัจจัยบีบคั้นได้ไม่เป็นตนเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดเมื่อหายติดย่อมคลายออก เพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมัรคาชีวิตประเสริฐคือจบพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ในการพิจารณาตามแนวของสำนวนนี้คำว่าไม่เที่ยงเป็นพกูกเป็นอนัตตาอาจยักเยื้องไปได้ต่างๆตามอัถยาศัยเช่นอาจเป็นว่า จักสุมืดไปหมดแล้วตาร้อนเป็นฝ่ายไปแล้วหรือว่าตาเป็นสิ่งมีความเสื่อมได้เป็นธรรมดาดังนี้เป็นต้นในอัจฉติกะอนิจจสูตรอัจฉติกะทุกขสูตรอัจฉติกะอนัตตสูตรและพาหิระอนิจจสูตรพาหิระทุกขสูตรพาหิระอนัตตสูตรสังยุตติกายสลายตนวัตรมีพุทธพจน์ที่นำมาประมวลรวมได้ว่าภิกษุทั้งหลาย ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นปัดใจบีบคันได้สิ่งใดปัดใจบีบคันได้สิ่งนั้นไม่เป็นตนสิ่งใดไม่เป็นตนสิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าไม่ใช่นั่นของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นไม่ใช่นั่นคือตัวตนของเราเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมหายติดเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้น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 เพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมรรคาชีวิตประเสริฐคือจบพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ในขีลานสูตรที่สองสั่งยุตินิกายสลายตนวัครพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุรูปหนึ่งว่านี่นะภิกษุเธอเข้าใจอย่างไร ตา BE: หูจมูกลิ้นกายใจจากกุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณจากกุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักรสุสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัย เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามอายตตะนาหกวิญญาณหกสัมผัสหและเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสหกเป็นปัจจัยเหล่านั้นเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุนั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข่าตรัสถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นภาวะบีบคั้นหรือเป็นภาวะคล่องสบาย ภิกษุนั้นกราบทูลว่าเป็นภาวะบีบคั้นพระเจ้าข้ตรัสถามว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงถูกปัจจัยบีบคัน้นมีความแปรปรวนไปได้เป็นธรรมดาควรหรือที่จะมองเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราภิกษุนั้นกราบทูลว่าไม่ควรเลยพระเจ้าข้จึงตรัสต่อไปว่าเมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติดแม้ในอาญาตนาหในวิญญาณหสัมผัสหในเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสหเป็นปัจจัยจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรูช้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมรรคาชีวิตประเสริฐคือจบพรหมจรรย์ เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ในเหตุอัจฉาตโสตที่หนึ่งและสองกับเหตุพาหิระโสที่หนึ่งและ 2, สองสั่งยุตานิกายสลาดยตนาวครคมีพุทธพจน์ที่นำมาประมวลรวมได้ว่าภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงแม่สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งไม่เที่ยง ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจักเป็นของเที่ยงได้แต่ที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้ไม่เป็นตัวเป็นตนแม้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้ไม่เป็นตัวเป็นตนตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเกิดจากสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้เกิดจากสิ่งที่ไม่เป็นตัวเป็นตนจักเป็นสุข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 ในนันทิกยสูตรที่หนึ่งสั่งยุตินิกายสลายตนวักพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุมองเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะพระธรรมรมที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฐิเมื่อเห็นถูกต้องย่อมหายติดเพราะสิ้นนันทิก็สิ้นราคะเพราะสิ้นราคะก็สิ้นนันทิ เพราะสิ้นนันทิและราคะจิตก็หลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นด้วยดีในนันทิกยสูที่สามสังยุตนิกายสลาญยตนาวัตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจงพิจารณาโดยแยกขายซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธพระธรรมรมจงเห็นคล้อยไปตามความเป็นจริง ซึ่งอนิจจตาแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมารม์เมื่อพิจารณาโดยแยบคายเมื่อเห็นคล้อยไปตามความเป็นจริงย่อมหายติดในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมารมเพราะสิ้นนันทิก็สิ้นราคะเพราะสิ้นราคะก็สิ้นนันทิเพราะสิ้นนันทิและราคะจิตก็หลุดพ้นเรียกว่า หลุดพ้นด้วยดีในอวิชชาสูตรที่หนึ่งสั่งยุติกายสลายตนวัรรภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดขึ้นตรัสตอบว่าเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสพตพะธรรมารมวิญญาณหก สัมผัสหกและเวทนาที่เป็นสุขทุกอขอทุกขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นในอวิชชาสูตรที่สองสังยุตติกายสลาญตนวัคภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นตรัสตอบว่าภิกษุมีสุตะ คือได้เล่าเรียนหรือสดับมาว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นข้อที่ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนี้ย่อมเป็นเพียงสุตะของเธอเธอเรียนรู้ทำทุกอย่างครั้นเรียนรู้ทำทุกอย่างแล้วย่อมรู้จักทำทุกอย่างครั้นรู้จักทำทุกอย่างแล้วย่อมมองเห็นนิมิตคือสิ่งที่กาหนดหมาย หรือภาพของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยในยะอื่ น, น, นเห็ น, ห น, ด น, หนโดยในยะอื่ น, น, น, นก็คือมองเห็นต่างไปจากที่เคยมองเห็นเมื่อมีความยึดมั่นคือเห็นตาโดยในยะอื่นเห็นรูปทั้งหลายโดยในยะอื่นเห็นอายตณะที่เหลือทั้งหมดกลุ่มทั้งวิญญาณ6สัมผัส6และเวทนาที่เป็นสุขทุกข์อทุกขมสุขโดยในยะอื่นคือมองเห็นต่างไปจากที่เคยมองเห็นเมื่อมีความยึดมั่น เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้น